ตอนที่พระองค์เนี่ยนะจวนจากปรินิพาน ค, คือเหตุการณ์ก่อนปรินิพานสักเล็กน้อยพระองค์ก็ได้เคยบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายโดยล่วงผ่านจากนี้ไปอีกสี่เดือนเราจะปรินิพานตอนนั้นมีพระภิกษุปุตุชนเนี่ยนะติดตามพระพุทธเจ้าประมาณเจ็ดร้อยรูปเจ็ดร้อยรูปนะที่เป็นปุตุชนโดยมากก็เป็นท่าระยะปีภิกษุปุตุชนเหล่านั้นเนี่ยสังเวชมาก พระพุทธเจ้าจะประนีประนานแล้วทำไงดีก็หลอฮ้อมเลยกันเนี่ยห้อมล้อมก็เรียกว่าเป็นเครื่องเหมือ น, นยกกองทัพไปไหนก็ตามกันไปตลอดมีพระเทเอยุรูปหนึ่งชื่อว่าพระอั ต, ตะทัถะเทระเนี่ยนะอัตตะแปล ว, ว่าตนอัถะแปล ว, ว่าประโยชน์พระผู้เล็งคํานึงถึงประโยชน์ของตนใส่ใจถึงประโยชน์ของตนคือพระรูปเนี้ยเป็นคนที่ใส่ใจถึงประโยชน์ของตนก็เลยคิดว่า นี่มีข่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าจาักปรินิพานโดยล่วงไปสี่เดือนก็ตัวเรานี้ยังเป็นผู้ที่ยังมีราคะายังละราคะไม่ได้เลยยังมีโทสะยังละโทสะไม่ได้เลยยังมีโมหะเป็นต้นยังละสรุปว่าละอคุลอะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์มีพระชนอยู่นี่แหละเราจะพยายามบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ให้ได้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนจะปรินิพานเพราะประโยชน์ตนที่สูงสุดจริงๆคือ อรหัตผลอรหัตผลชื่อว่าประโยชน์ตนที่สูงสุดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระเทระรูปนี้ไม่ไปเยี่ยมใครเลยสักคนเดียวไม่ยอมไปไปคบหาพระรูปรูปอื่นเลยนะไม่ไปทีนี้ท่านก็ไม่ไปแล้วก็เข้าหมู่คณะก็น้อยมากแอบอยู่เงียบๆตลอดเลยนะทั้งนั้นพิสูจน์ทั้งหลายก็กล่าวว่าผู้มีอายุทําไมท่านไม่ไปสํานักของพวกกระผม พวกท่านเออท่านไม่เคยมาร่วมกันปรึกษาหารืออะไรกันเลยนะเหมือนกันคล้ายว่ า, า, วาทิ้งพักทิ้งพวกนี้ไปอยู่คนเดียวสุกๆเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พารูปเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทุนว่าพิสูุรูปเนี้ยทําตัวเงียบๆไม่เข้าหมู่คณะอะไรเลยไปแอบซุ่มอยู่เงียบๆพระอัฏฐเทระนั้นพระศาสดาถามว่าทําไมเธอจึงทําอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็ถามถึงเหตุว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรทําไมต้องไปใช้ชีวิตอยู่ลําพังเงียบๆโดดๆอย่างนั้นล่ะก็ ข้าพระองค์ได้ฟังข่าวมาว่าพระองค์จะปรินิพานหลังจากนี้ไปอีกสี่เดือนข้าพระองค์ก็เลยพยายามเพื่อบรรลุพระอรหันตตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่นี่แหละพระเจ้าข้าตั้งใจจริงๆว่าจะต้องเจริญให้บรรลุมรรคผลก่อนพระองค์จะปรินิพานพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ใดมีความสิเนหาในเราเเนหาก็แปลว่าเยื่อใหยนะถ้าใครที่ยังมีใจเยื่อใยต่อพระพุทธเจ้ายังอาลัยอาวรณ์ต่อพระพุทธเจ้า ผู้นั้นควรทําตัวเหมือนกับพระอัตถะตะอัตถะตะเนี่ยนะควรทําตัวแบบพระพระเทระรูปนี้เพราะอะไรเพราะว่าชนทั้งหลายผู้บูชาเราด้วยวัตถุต่างๆมีของหอมเป็นต้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเราหรอกเนี่ยนะมัวแต่คอยวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆเนี่ยนะไม่ใช่เป็นการบูชาเราจริงหรอกเพราะผู้ใดอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะ ผู้นั้นแหละเชื่อว่าบูชาเราเพรันผู้ที่บูชาเราก็เหมือนกับพระอัทะทะถทัฏถเทระรูปนี้พันภิกษุรูปอื่นควรเอาพระรูปนี้เป็นตัวอย่างซึ่งพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ตนให้เสื่อมเสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากคือประโยชน์ของใครมันก็ของใครใช่ไหม ประโยชน์ของใครก็ของใครอย่างประโยชน์ตนของคือหมายก็ว่าอย่างอาหารบนโต๊ะเนี่ยนะใครทานไปหนึ่งคำมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวคนนั้นหนึ่งคำทานสิบคามันก็เป็นประโยชน์กันสิบคามันก็ประโยชน์ก็คือแต่ละคนเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวเนี่ยนะประโยชน์อย่าทําประโยชน์ตัวเองให้เสียหายอย่าทําลายประโยชน์ของตนประโยชน์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกนี้ก็คืออะไรอย่างน้อยุศีลก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ โลกนี้แล้วสมถะและวิปัสนาเป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นเป็นเหตุแห่งประโยชน์โลกหน้าและเป็นสาระที่สําคัญเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์คนอื่นจะขนาดไหนก็ช่างเถอะอย่าทําลายประโยชน์ของตนเพราะผู้ที่รู้จักประโยชน์ของตนนับพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนทําอย่างไรตนจะได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่า พระริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ปรินิพานไปแล้วแต่เราก็ยังพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สําเร็จประโยชน์ของท่านแล้วพระพุทธเจ้าทีพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกนเมทังกนสระนังกนทีปังกนพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมทั้งพระสาวกก็ได้รับประโยชน์ของท่านเหล่านั้นเสร็จสิ้นบริบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าโกนธัญะมังคลาสุมาณเรวตะพร้อมทั้งพระสาวกเป็นต้นของพระองค์ก็ได้รับประโยชน์เหล่านั้นไป ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตลอดจนถึงพระพุทธเจ้ากับนี้พระพุทธเจ้ากะปุสันธโกนาขมนะพระพุทธเจ้าพระ น, นามว่ากัสริยพระองค์เหล่านั้นพร้อมทั้งสาวกก็ได้รับประโยชน์ของท่านเหล่านั้นที่ควรจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จากไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราพร้อมทั้งสาวกของพระองค์ก็ได้รับประโยชน์แล้วแล้วเราล่ะคะเนี่ยเรามัมาคิดอย่างเงี้ยหรือตนของตนก็ยังไม่มีม า, ามากไปมั้งอ่ะนะี่ พระพุทธไม่แนะนําให้ทาอย่างนี้หรอกไม่ได้สอนให้ให้พูดแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วแต่โย ต, ตนไอคําว่าตนแปลว่าไม่ใช่คนอื่นบอกเออตนมันมีด้วยหรือถ้าไม่มีภายในนะตนแปลว่าภายในไม่มีแท้จริงอภิธรรมพระองค์ไม่สอนอัจชตังวาประหิทธาวาใช่ไหมอัชตังวาประหิตทาวาเป็นภายในอัจชตะก็คือภายในอ่ะก็คือตนนะี่นับเนื่องในตนเดียกวอัชตะอัชตังวาประหิทธาวา อจตาธรมมาธรมม า, าพระหิทธาธรรมมาอจตาพระหิทธาธรรมมาอจตารมนาธรมมาาา ร, าธรมมาพระหิทธารมนาธรรมมาอจตาพระหิทธารมนาธรรมมาเนี่ยนะมันมีคําว่าภายในตนตนแปลว่าไม่ใช่คนอื่นก็แล้วกันนะเนีย่ยนะก็อยู่ภายในตัวเรานี่แหละและไอ้ตัวเราจริงอะมันคืออะไรจําแนกไปแล้วมันก็ไม่มีอัตตาแบบเบรธีคิดขึ้นแต่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรภายในตนนะอะไรคือตนก็คือเนี่ยสีนี่แหละเป็นประโยชน์ตนพระองค์จึงบอกว่า ให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับในศาสนาเนี่ยคืออะไรประโยชน์ของเราจริงๆที่เราเข้ามาในพระศาสนาเนี่ยจริงอะ่ะคืออะไรคือสติปทานได้ไหมแค่ไหนอย่างไรส ม, มปทานได้ไหมแค่ไหนและอย่างไรอิทธิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงและองค์มรรคแต่และอย่างเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะศรัทธาของเรานี่เจริญขึ้นแค่ไหนที่เรียกว่าศรัทธานี้ที่จะช่วยให้เราข้ามจาก อบายทุกขติวินิบาตนารกได้ไหมศีลเป็นยังไงสมถาวิปัสนาเป็นอย่างไรฮิริโอตปะสุตะความรู้ในคําสอนเป็นอย่างไรจาคะเป็นอย่างไรแล้วก็มีปัญญารู้อะไรบ้างสํารวจตรวจสอบอริยทรัพย์เหล่านี้ของตัวให้ดีๆเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันนึกนนึกในใจว่าอย่างบางท่านบอกว่าโอ้เดี๋ยวะจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกแล้วบอกเมื่อไหร่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยนะ ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะเอาว่าชาตินี้ก็แล้วกันเนี่ยนะเขบอกว่าอาหารตั้งอยู่เต็มโต้เนี่ยก็แหมพยายามบริโภคบริโภคได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละอย่าไปคิดถึงหวังน้ําบ่อ น, น้ำให้ที่มันแหมอย่าลืมว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเปรียบเป็นรูปธรรมเนี่ยนะสาธาเทวมนุษสานังแปลว่าพระองค์ผู้เป็นหัวหน้าพวกข้ามพาศัศข้ามจากอันดารแปลว่าข้ามจากทะเลทรายมันเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจช่วงนี้กลับไปที่กุฏิ แม้มองดูบริเวณรอบๆไปประสมีประมาณกิโลหนึ่งไฟเผาเกลี้ยงเลยเนี่ยดำกลิ้มไปหมดเลยเนี่ยนะไฟมันไหมแบบเขาเผาอะไรเผาพวกสังข้าวฟเผาพวกหญ้าเพราะเขาเตรียมจะกพ่อปลูกกันนะไฟก็ไหมแดดก็ร้อนแล้วก็ดูแหมระยรัะประยะ บ, บ, บเลยร้อนระอุแต่แต่ที่กุฏิไม่ร้อนอ่ะนะแต่หมายความว่าดูบริเวณนี่มันแห้งแหลงแท้ถ้าใครเคยดูเห็นภาพพวกทะเลทรายทั้งหลายเอา เห็นภาคทะเลทรายไหมมันมีแต่ทรายแล้วก็มีพายุทรายแล้วก็พัดหมุนแล้วก็เป็นรัศมีเป็นร้อยร้อยกิโลจึงจะมีแม่น้ําสักสายหนึ่งบางทีก็นานกว่านั้นอีกจึงจะเป็นแม่น้ําแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยนะซึ่งมันอดอยากกันดารแล้วก็แห้งแล้งเมื่อกันดารแบบนั้นแห้งแล้งแบบนั้นเนี่ยนะซึ่งถ้าเปรียบเหมือนตอนนี้ว่าชีวิตถัดจากนี้ต่อต่อไปของเราก็จะ ก, กันดารและ แห่งแรงถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยนะโลยังเอาเกิดมาในโลกเราเนี่ยโลกที่มีผู้าศาสนามีอยู่กี่ประเทศแต่ละประเทศนี่มีเท่าไหร่แล้วเราควรจะไปเกิดที่ไหนล่ะเออเชื่อเหอคนมีศีลไม่ค่อยมีลูกโดยมากเห็นไหมแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะคะ น, นี้เออเกิดอยู่ในครอบครัวไหนตระกูลไหนแล้วเขาจะแนะนําอะไรเราสอนอะไรเราเนี่ยนะเขามาว่ายังเมย์ย่งเมย์มีเด็กๆที่บ้านนี่แหละสองสามคนะนะที่มแม่เก่งมากเกิดมามีบุญอิติปิโสได้กันงแตตัวเล็กตัวน้อยแล้วเนี่ยนะ ก็แสดงว่าเขาทำบุญมาดีมากเนี่ยนะซึ่งถ้าเทียบกับแม่ถ้าเทียบกับเราเองนะเมื่อคืนยังคุยกันอะไรว่าเด็กเรานี้มีบุญแท้ น, นั้นเดินไปเดินมาก็ได้ยินสวดมนต์หนักๆเข้ามันก็สวดได้แล้วเดินผ่านนะเฉียวเฉียวก็สวดได้แล้วนั้นะเดินเฉียวก็ยังสวดมนต์ได้แล้วทำบุญมาดีจริงๆแต่ของของเราตอนนั้นไปทำอะไรไปทำปานาติบาส น, น, นู่นเะนี่ยนะวิ่งอยู่กลางทุ่งตกเบด น, น, นู่นเะนี่ยนะอ๊ดีใจมากเอาไปโชว์แม่แม่แม่เนี่ยดีใจมากเก่งจังเลยลูกอย่างนั้นอย่างเงี้นะลูกตอนนี้บอก่อกงอะไรเนะี่ยเะ จะตกนรกกันทั้งแม่ทั้งลูกไหมว่าเนีวันนี้พยายามหาทางบอกแม่จะทํายังไงให้แม่ไม่ตกนรกเนี่ยนะหาทางบอกแม่ฟังธรรมแล้วกันแบ่งเวลาฟังธรรมบ้างนะบอกรักษาศีลบอกเออลูกบอกปีนี้แม่รักษาโบสถสามเดือนเหมือนกันไอเอเล้ยเก้าเดือนนะอ่ะเริ่ไอ้เก้าเดือนที่เหลือแล้วแม่ยังก็คุยนะกันนะแล้วก็วันถาวนี้เราก็มาคิดดูว่าเออเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าหากว่า ต่อตอไปเนี่ยค่อนข้างลําบากมากเพราะโพธิปักจยธรรมอริยสัพย์เนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนอย่างว่าอะไรหนึ่งถ้าเราไม่รวบรวมอริยทรัพย์ต่อไปนะหนึ่งถ้าเราไม่ไม่สะสมสัพย์คือศรัทธาในพระพุทธเจา้าโอกาสที่เราจะมีศรัทธาในพระองค์ก็ลดลงไปเราไม่มีศรัทธาในพระธรรมศรัทธาเหล่านี้ก็ลดลงไปถ้าไม่มีต่อต่อไปมันก็ลดแล้วแล้วต่อไปอีกถ้าเราไม่พยายามสมาทานศีลคนอื่นพาเราสมาทานศีลไม่มีหรอกเจเหอะ เขาต้องวิธีมันต้องฆ่าแบบนี้สิวิธีฆ่านะมันต้องตีลังคาฆ่ามันต้องอูยสารพัด ท, ท, ที่จะเปิดเผยวิธีฆ่าอุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตกับอุปกรณ์เพื่อการฆ่าใ น, น, นราคาดีกันนะมันอุปกรณ์เพื่อการฆ่าทางนั้นแนละ้วอ่าที่จะมาแนะนําการมาสุดจริตเป็นอย่างนี้นะประพฤติดีเป็นอย่างนี้ทําดีด้วยกายเป็นอย่างนี้ทําดีด้วยวาจาเป็นอย่างนี้อู้หายากมากแม้กระทั่งวัดในแวดวงสมัยใหม่เนี่ยดื่มสุราเนี่ย บอกโอ้เธอเนี่ยดีนะอย่าดื่มเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกน่ยนะมีแต่พ่อแม่ที่แก่ชาราเท่านั้นอาจจะค่อยๆบ่นบนบ้าง น, นะลูกเอ้ยอย่าทําอย่างนั้นเลยเป็นต้นถ้าโดยมากแม้ตําหนิติเตียนกันแล้วดื่มไม่เป็นแม้ตำหนิติเตียนถากถางกันมันต้องเป็นด้วยกันมันก็กอดคอกันไปสู่อาบายไปหมดมนั้นถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะเจริญคุณธรรมเอาไว้ให้ดีดๆเนี่ย น, นะเราจะไม่มีแม้กระทั่งกาลยานะมิตรที่จะคอยห้ามคอยปราง อันนะพอเราพูดว่าจีทุจริตนะเขาชอบมากพอเราพูดว่าจีสูตรจริตนะให้มพูดอะไรกันเนี่ยนะอย่างที่เขามีบางคนบอกโอ้ยไปครัไ ป, ไปด้วยกับท่านรอกบอกวันพาแตสวดมนต์พาแต่สวดมนต์บอกเออขอบคุณมากเหนกันที่ไม่ชมนะเนี่ยบอกว่าหาราหาว่าเราพาสวดมนต์เนี่ยเขาชมเรานะเนี่ยก็แปลว่าเราไม่เคยให้ ความเลวร้ายเขาเลยนะเราให้แต่ศรัทธานั้นเนี่ยเออดีเ้าชมเราเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าเอาคนทานเป็นประมาณอยู่ไม่ได้อยู่แล้วละเนี่ยเราก็เออเขาบอกว่าเออเนี่ยไปกับท่านบอกไปด้วยแล้วอินเดียก็ไม่ไปด้วยแล้วบอกทําไมอ่ะพาแตสวดมนต์พาแต่สวดมนต์สวดแต่มนอย่างเดียวก็บอกเอ้าเออเขามาก็สวดก็เขามาไปยอมไม่สวดก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่ามันสวดมนต์มากแล้วเกินเอ้าตอนไปก็ไม่ได้ขอร้องให้ไปสักหน่อยเนี่ยนะเราก็คิดในใจนะไม่กล้าว่าเลยเขาจะโกรธหนักกันนั้นอีกเนี่ยนะ คนมันเตรียมโกรธอยู่แล้วด้วยจะไม่หาเหตุผลว่าทํายังไงจะสมควรโกรธให้มันยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอองนะแต่คิดแอบคิดในใจแล้วตอนไปก็ชวนก็ไม่ได้ชวนขอร้องก็ไม่ได้ขอร้องไอ้ตอนสวดเราก็ไม่ได้ไปไ ป, ไปอ้าปากให้สวดสักหน่อยเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปชวนให้ทําวัจจีทุจิติเดชไม่ ไ, ไปชวนทําบาปเลยเนี่ยนะแม้แต่ข้อเดียวไม่มีเลยแสดงว่าเขาชมเราว่าเราชวนเขาทําแต่ดีอย่างเดียวแต่ก็อย่างว่านะคนดีความชั่วคนดีทํายากคนดีคนชั่วทําง่าย แต่ว่าความดีเนี่ยนะคนดีทําง่ายคนชั่วทํายากนั้นก็ประกาศอยู่แล้วว่าท่าแท้ของเขามันเป็นใครก็ไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเนี่ยนะบางคนจะมาฟังธรรมที่นี่ก็เหมือนกันนะก็บอกว่าโอ้ไปหรอกว่า ม, ม, มีแต่สวดมีแต่สวดเหมือนกันแต่เพ้อเจ้อได้ยงงไก็แต่ก็ระว่าสุดแทแต่ท่าเถิดเขามาก็ว่าไปงั้นแหละเนี่ยนะบอกว่าเออเนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละสังสารวัตรเพราะนั้นถ้าหากว่าเรา อเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาใหม่แม้กระทั่งชาตินี้ที่จะเจริญงอกงามด้วยอริยทรัพย์คือศรัท ธ, ธาเป็นต้นก็ยังหายากเนี่ยนะที่จะงอกงามในคุณธรรมทั้งหลายก็หายากมันวัตตะเนี่ยเขาวัดกันที่คุณธรรมเนี่ยนะวัดกันที่คุณธรรมว่าปฏิสนธิจะเลวจะร้ายจะดีชีวิตต่อไปจะสุขจะทุกข์ก็วัดกันที่คุณธรรมวัดกันที่ธรรมแลอะอธรรมนั่นเองเนี่ยนะวัดกันที่สุจริตธรรมและ ผู้จริตธรรมกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเพราะในโลกนี้มีอยู่สองอย่างอยู่แล้วนะคือดีกับไม่ดีกุศลกับอกุศลส่วนอัพยากตะตายมันเป็นวิบากแล้วมันเป็นผลแล้วเป็นผลผลิตของกุศลและอกุศลไปแล้วเพราะมันมีสองอย่างคือกุศลกับอกุศลถูกกับผิดมิจฉากับสัมมาเนี่ยนะมิจฉามร ก, กับสัมมามร์เพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะไม่ผิดไม่พลาดมันก็ต้องพยายามว่า พระพุทธเจ้าพยายามจะบอกอะไรเราแม้แต่ก่อนจะปรินิพานพระองค์ก็ยังบอกอะไรเราว่าในฐานะพระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาก่อนป ร, รินิพานเนี่ยพระองค์มีอริยสัพอะไรบ้าง รงใช้อริยทรัพย์อะไรบ้างแล้วในฐานะของเราเนี่ยนะเราก่อนจะตายเนี่ยอย่างพระองค์เนี่ยเข้าปฐมฌานออกจากแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าทุติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าตัติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าจตุตยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าอากาสานัญญาตนะแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าตอากินจัญญายตนะวิญญาณัญญาตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะเข้านิโรธสมาบัติเจริญฌานเหล่านี้ทั้งอนุโลมและปฏิโลม พรงมีอริยทรัพย์ใช้สอยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พูนสุขเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งมวลแล้วท้าถามคนอื่น่ะ